จึงได้ถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารธีทูลพยากรพระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าก็เทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพริณีเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นทาสีเกิดแต่ทาสีในเรือนของพราม นางรู้แจ้งซึ่งแขกมาถึงตามการย่อมยินดีดังมารดายินดีต่อบุตรของตนฉะนั้นนางเป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานทั้งเจ็ดชดช่วงอันบุญญานุภาพตกแต่ง่องแสงสว่างดังดว ง, งอาทิตย์อ่อนอ่อนเทพบุตรในวิมานนั้นมีฤทธิ์มาก ประดับด้วยสรรพพาผนอัหมูเทพที่ดาแวดล้อมผลักเปลี่ยนเวียนวนอยู่โดยรอบทั้งเจ็ดวิมานความปลื้มใจปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพประบุตรนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงได้ถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน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 วิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบอริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้นรำขับร้องทั้งสองเปล่งแสงสว่างจากฝาแก้วผลึกความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แนนมาตรลีเทพสารถีเราขอถามท่าน เทพนารีเหล่านี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรพระดำรัตถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพนารีบางเหล่าเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นอุบาสิกาผู้มีศีลยินดีในทานมีจิตเลื่อมใสเป็นนิ ตั้งอยู่ในสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถเป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานอันบุญญาุภาพตกแต่งแล้วนี้ประกอบด้วยภูมิภาคหน้ารื่นรมจัดสรรไว้เป็นส่วนๆเปล่งแสงสว่างออกจากฝากแก้วไพลทูลเสียงทิพเป็นเสียงเปิงมงังเสียงตะโพน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 เทพบุตรเหล่านี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทุนพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรบางเหล่าเมื่อยังอยู่ในมนุษยโยโเป็นอุบาสกผู้มีศีลได้ก่อสร้างอารามบ่อน้าสระน้าและสะพาน ได้ปฏิบัติพระอระหันต์ผู้เยือกเย็นโดยเคารพได้ถวายจีวรบินธบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์แปดในดิทีที่ส4บสที่ส5บห้าที่8ปดแห่งปักและปาติหาเรียปักเป็นผู้สำรวมในศีลทุกเมื่อ เป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องทั้งสองอย่างส่องแสงสว่างจากฝาแก้วผลึก มีแม่น้ำอันประกอบด้วยไม้ดอกต่างๆล้อมรอบความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแนมาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุตรนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตอนที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบุญทั้งหลาย แด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบระบุนี้เป็นคฤรหบดีในกรุงมิถิลาเป็นทานบดีได้สร้างอารามบ่อนา้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติบำรุงพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เยือกเย็นโดยธรรมได้ถวายจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใส ได้รักษาอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์แปดในดิทีที่สิบสี่ที่สิบห้าที่แปดแห่งปักและปาติหารียะปักเป็นผู้สังวรในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สังวรและจำแนกทานจึงบันเทิงอยู่ในวิมานพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานอันบุญญาุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสรศิฐ รุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องทั้งสองอย่างท่องแสงสว่างออกจากฝาแก้วผลึกมีแม่น้ำอันประกอบด้วยไม้ดอกต่างๆล้อมรอบและมีไม้เกตไม้มะขิดไม้มะม่วงไม้สาละไม้ว่าไม้มะพลับไม้มหาดเป็นอันมากมีผลเป็นนิด ความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแนมาตตลีเทพสารถีเราขอถามท่านเท พ, พบุตบุนี้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่า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 ในดิธีที่14บสี่ที่สิบห้าที่แปดแห่งปักและปาติหารียปักเป็นผู้สำรวมในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงบันเทิงอยู่ในวิมาน